ในอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยในหน้า253เกี่ยวกับเรื่องพระนันทะว่าพระนันทะนี้มีอยู่ในนันทสูตรตขุตกนิกายอุทานเนี่ยนะอุทานก็แสดงย่ออย่างนี้ว่าเมื่อพระนันทะผู้กําลังอยู่ในระหว่างพิธีวิวาหะกับสาวงามประจําชนบทคนหนึ่งถูกพระตถาคตถามถึงการบวชก็คือพระนันทะเนี่ย เป็นวันแต่งงานนะวันแต่งงานแล้วก็จะพิเศษเป็นพระราชาด้วยนะวันพิเศษสมรสด้วยจะพิเศษเป็นพระราชาด้วยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันด้วยนะพิเศษก็ทําบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าพอฉันเสร็จรองก็ฉันเสร็จก็ยื่นบาทให้พระ น, นันธาเลยพระ น, นันธายัางไงก็ต้องอุ้มบาดตามพระพุทธเจ้าอยนะูล้วเพราะพระพุทธเจ้ายื่นบาทให้ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ขอคืนไม่มีใครกลา i, ้าถวายท่าน ก็ต้องเดี๋ยวพระนันธาก็ได้จะคิดว่าเออเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เอาคืนนะเดี๋ยวก็รับคืนนะถึงหัวบันไดก็เอาคืนนะเดี๋ยวถึงสนามหลวงก็เอาคืนนะเดี๋ยวถึงตรงนั้นก็เอาคืนนะไม่คืนสักทีหนึ่งไปจนถึงนิโรนินโครธารามเนี่ยนะนีไอระหว่างที่ลงจากปราสาทนั่นแหละนางชนบทกาลยาณีก็เรียกว่าอะไรนะแต่งผมยังไม่ทันเสร็จแล้วก็ไปชะง้อดูน้ําตาไหลพรากพระลูกเจ้ารีบกลับมานะเขาบอกว่าคํานั้นเนี่ยพระนันธะเนี่ยมันมันเหมือนกับจดอยู่ที่ใจเลย จดอยู่ที่เยื่อในกระดูกมันคิดถึงแต่คํานั้นน่ะพระพุทธเจ้าจะอศัศจรรย์ขนาดไหนพระธรรมจะดีเยี่ยมขนาดไหนอรหันแค่ไหนไม่นึกไม่ได้จําได้แต่คํานั้นคําเดียวเนี่ยนะท่านะก็เอแล้วก็ไปที่ไหนก็บ่นด้วยนะบ่นตลอดด้วยผมเนี่ยสงสัยจะบวชได้ไม่นานหรอกผมก็คงเดี๋ยวคงศึกแ ล, ะละ้วล่ะผมคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตลอดไปหรอกไปเที่ยว บ, บ่นให้พระฟังไปเรื่อยไปหมดเลยพระท่านก็พอมีอะไรไม่ชอบมาภาค น, นิดหน่อยก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็เรียกเข้าไปเฝ้า นะเรียกเข้าไปเฝ้าเนี่ยได้ข่าวว่าเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือก็บอกจริงพระเจ้าขา่าเพราะเหตุใดพระนันทะก็เล่าความหลังให้ฟังทั้งหมดพระองค์ก็บอกพระนันท ะ, นนทะไปสวรรค์ไปดาวดึงษ์ไหมบอกว่าคนมีฤทธิ์ที่จะไปได้ถ้ามีคนพาไปได้ไปไหมบอกไปไปพระองค์ก็จับไประหว่างทางก็แสดงให้ดูลิงนางลิงหลุดอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าจมูกพิการหูด้ว น, ห, นหูขาดหางด้วนเป็นต้นแล้วก็นั่งบนตอไม้แถวบริเวณที่มีไฟไหม้เสร็จแล้วก็ไปถึงดาวดึงษ์เนี่ยไอดาวดึงษ์เนี่ย ท้าสักกะก็มากราบพร้อมกับนางฟ้าที่เป็นบริวาร น, นางฟ้อนเนี่ยนะประมาณห้าร้อยนางห้าร้ยนางที่มีเท้าแดงเหมือนเท้านกพิราบก็คือสวยนะน ะ, ะดีตชาติก็คือนางกลุ่มเหล่านี้ก็ทําบุญพวกถวายพวกอะไรนะทำบุญกับพระพิสุถวายพวกน้ามันทาเท้าท า, ทาอะไรพวกนี้ด้วยเหตุผลเหล่านั้นก็ทําให้ผิวงามแล้วก็เป็นกลุ่มนางฟ้าที่มาคอยใส่บาตรพระมหากระสปะนั่นแนหะกลุ่มนั้นอนะ่ะ พนันท่าเข้าไปเห็นเข้าก็โอ้ใจก็ลืมหมดเลยก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามเป็นไงนันทะก็บอกว่างามไหมบอกงามพระเจ้าค่ะอ้าวไม่คิดถึงนางชนบทกาลยานีแล้วเหรอบอกโอ้ผ่านเมื่อกี้นะั้นนางลิงหล่นอย่างไรนะนางชนบทกาลยานีก็พอกันนั่นแหละพระเจ้าค่าานะก็เลยเออจงยินดียิ่งเถิดนันทะจงยินดียิ่งเถิดนันท่าเรารับรองเธอว่าเธอจะต้องได้ขอให้บวชเธอรับรองว่าได้ พรอองศ์รับรองนะพระเจ้าข่าบอกรับรองเพราะพอก็ลงมาจากดาวดึงเข้าพอปลอป่อยพระนันธาไปปฏิปไปหลีกไปนะพอองศ์ก็บอกพระพิสุหมดเลยว่าเนี่ยเราเนี่ยไปทําอย่างนี้อย่างนี้พระนันพระนันธาเนี่ยเท่ากับเป็นอะไรเป็นลูกจ้างพระองค์เนี่ยเป็นผู้รับประกันให้เป็นนายประกันให้ทีนี้พระพิสุกก็ไปตอบไปว่าพระนันทาว่าเนี่ยท่านลูกจ้างนะรับจ้างประพฤติพรมจาจำงา น, นเพื่อนางฟ้า ทนี้คนหนึ่งว่าสองคนก็ ว, ว่าสามคนก็ ว, ว่ามานะกษัตริย์ก็เข้ามาสักยะนีมานะสุดยอดเลยแหละมานะมันเข้ามาเต็มที่ไหมอย่างเราเนี่ยนะจะต้องเป็นผ้ารหันให้ได้ท่านก็สํารวมมากเลยเขก็ปกติแล้วท่านเป็นคนรูปงามแต่กิเลสกล้ามากนั่นะก็เรียกว่าติดผ้าราโคแลลว่าคนกิเลสกล้าราคะนี่แรงกล้ามากท่าน ท่านก็เจริญอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเจริญอินทรีย์สังวรด้วยศาสกะสัมปชัญญะอย่างเต็มที่อาศัยมีหิริโอตตะอย่างเต็มเตี่ยมพิจารณาริยศาสตร์ก็ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระมหาสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้านี่รู้วิธีเนี่ยนะรู้วิธีที่จะช่วยโปรดพระนันทะแล้วก็มีการสนทนากันด้วยว่าเออพระพุทธเจ้านี่น่าอาศัศจรรย์เก่งจริงๆเลยสามารถช่วยพระนันทะ จากคนที่กําลังถูกย้อมด้วยกิเลสเป็นต้นพระองค์ก็ยังช่วยได้ปองก็เล่าว่าเราไม่ได้ช่วยนันทาแต่ชาตินี้นะอดีตชาติก็ช่วยลักษณะนี้เหมือนกันปอง์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยเคยเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าก็เอาลาไปตัวหนึ่งนะเอาลาไปก็บรร ท, ทุกสินค้าไปบนหลังลานี่พอบรรทุกสินค้าไปบนหลังลาก็ไปที่เมืองเมืองหนึ่งนะก็ปล่อยให้ลาเนี่ยไปกินหญ้ากินหญ้าอะไรต่างๆอยู่พ่อค้าก็ไปขายสินค้า นี่พอค้าพอกลับมาเสร็จก็บอกลาไปไปกันได้แล้วลาไม่ยอมเดินทางนะเนี่ยจะอยู่แถวนั้นน่ะพระโพธิสัตว์ก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาดูก็บอกว่าไวไปเจอนางลาเข้าไปแล้วนี่สิมีหน้าเราไม่ยอมไปไม่ยอมเดินทางก็บอกว่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออเป็นก็เขาก็ภาษานั้นนะเขาคุยกันได้นะบอกว่าอยากได้ใช่ไหมบอกใช่เดี๋ยวไปถึงที่แล้วจะหาให้สักตัวก็แล้วกันนะนะ ก็ชวนให้บรรทุกสินค้าเนี่ยอุ้ยขยันขันแรงมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาให้สักตัวหนึ่งนะก็เลยบรรทุกสินค้าไปอย่างเร็วเลยนะถึงที่ไมายปลายทางโดยสวัสดิภาพพอไปถึงวันสองวันสวันก็ไม่เห็นหาใหยซากทีลาก็เลยไปทวงไหนว่าท่านจะให้จะหานางลาให้ข้าพเจ้าก็จะหาให้สิแต่มีเงื่อนไขนะท่านต้องได้หญ้าเท่าเดิมน้ําจะต้องเท่าเดิมหญ้าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นท่านก็ได้มามาสองตัวใช่ไหมสอตัวหญ้าเท่าเดิมน้ําเท่าเดิมท่านเอาไหม ไปชักคิดมากกันนะแต่แล้วท่านอยู่กับ น, นางลาแล้วท่านจะต้องมีลูกเมื่อมีลูกเข้ายากก็เท่าเดิมน้ําก็เท่าเดิมท่านเอาไหมถ้าท่านมีลูกแล้วมีลูกหลายๆตัวยากก็เท่าเดิมน้ําก็เท่าเดิมท่านเอาไหมงานนี้อดแน่อะไรนะแต่จริงก็ถูกล่อเข้ามาเลยนะบอกว่าก็ช่วยช่วยสงเคราะห์เนี่ยนะให้พรากจากนางลาเนี่ยก็คื อ, ค อ, อนางชนบทกาลยาณีในะชาติหลังนั่นแหละเพราะว่าอดีตก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วนะแต่ก็ในชาตินั้นก็ แต่ชาตินี้ก็เป็นพันนันทะก็ในที่สุดก็ช่วยสงเคราะห์ให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดรู้วิธีว่าจะสงเคราะห์ใครได้อย่างไรและเมื่อไหร่แค่ไหนเนี่ยนะเพราะพระองค์มีอาส า, ย า, ยานุสยาญาณมีอินทรียโปรโปริยัติญาณที่สําคัญพระองค์มีสัพพัญยุตยานเนี่ยนะอย่างรู้ทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็รู้ฐานะอาฐานะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็น เป็นผลอะไรเป็นอะไรเป็นเหตุที่แท้จริงอะไรไม่ใช่เหตุที่แท้จริงอะไรเป็นเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุไกลอะไรเป็นเหตุเกื้อหนุนและเกื้อกูลเนี่ยนนะพระองค์รอบรู้นะทั้งว่าเหมาะถ้าคนนี้จะฟังแล้วบรรลุจะต้องสถานที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ต้องอย่างไรเนี่ยรู้ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมพระองค์จึงทํากิจสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศัสตร์ทั้งหลายได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังสงสัยในวิธีการเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเชื่อไหมว่าเขาจะปฏิบัติตามคำสอนเนะี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดจะปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าความสงสัยเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมากในาศาสนานี้ถือว่าเป็นเหมือนกับทางสองเพ่งเลยแหละคนที่อะไรนถือทรั์มาเนี่ยถือรั์มาเต็มที่แล้วเจอทางสองเพ่งเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ย ถามว่าเดือดร้อนใช่ไหมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมฉันใดผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งหลายถือรัตนะ์ถือศรัทธาฮิริโอตปะถือทรัพย์คือศีลเป็นต้นมาเนี่ยถ้าวิจิกิจฉาเกิดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นสงสัยในพระรัตน์ไตรเมื่อใดก็สงสัยและจะทำดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมถ้าสงสัยเกิดขึ้นมาเนี่ยความสงสัยเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ในกลุ่มโมจตุกะเกิดร่วมกับ โมหะโมหะก็ปฏิเสธบุญอยู่แล้วปฏิเสธคุณงามความดีปฏิเสธสติปัญญาก็ออกจากกุศลไปเจริญอกุศลคนที่ยิ่งสงสัยมากไม่ใช่ทําดีมากนะไม่ใช่ยิ่งทําบาปมากกว่าเดิมยิ่งระแวงยิ่งสงสยัยและความสงสัยนี้ถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญต่อมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยจึงนําเกิดได้นั่นนะจึงนําปฏิสนธิได้เนี่ยนะดังนั้นตัวความสงสัยนี่ถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมาก อีกเรื่องหนึ่งะนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์พระจุลบรรทกขอถวายพระพรยังมีอีกเรื่องหนึ่งพระจุลบรรทกเทระเนี่ยนะถูกพระพี่ชายเนี่ยขับไล่ก็เป็นทุกข์เสียใจอยู่ พระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาแล้วก็ทรงมอบผ้าเนื้อละเอียดพื้นหนึ่งให้ไปด้วยทรงนำเร ว, ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตรัสรู้ได้ด้วยวิธีนี้ดังนี้ซึ่งกุลบุตรผู้นั้นก็ได้บรรลุวัสีภาวะในศาสนาของพระชินนวรพุตเเจ้าด้วยวิธีการนั้นจริงขอถวายพระพรมหาปิฏฐพระตถาคตทรงเป็นผู้รู้จักวิธีการฉลาดในพระเทศนาแม้อย่างนี้นั่นคือฉลาดทรงครอบมากว่าอย่างกรณีของ ขันท่าเมื่อกี้ก็บอกว่าให้ดูนางฟ้ากรณีพระจูระบันทกสงเคราะห์ด้วยการให้ขยี้ผ้าคือมีเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องพระจุลบันทกเนี่ยพระจุลบันทกคําว่าปันทกก็แปลว่าคลอดในระหว่างทางคือเรื่องก็มีว่าเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งก็มีลูกสาวเลี้ยงลูกสาวเป็นอย่างดีดูแลคุ้มครองอย่างดีแต่ในที่สุดนางก็แอบหนีไปกับชายทาตจนได้ก็ห น, นีไปกับทาตุไปอยู่ร่วมกันจนได้ลูก พอมีลุ่เอ่อพอมีคันเนี่ยนะก็คิดจะพอพอตัวเองใกล้จะคลอดก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็เลยจะกลับมาคลอดพอมาระหว่างทางก็คลอดก็เลยชื่อว่าปันถกเรียกระหว่างทางอ่ะนะทีนี้พอคลอดเสร็จก็เอาคลอดเสร็จแล้วไม่รู้จะไปกลับไปหาพ่อแม่ทําไมก็เลยกลับไปอยู่กับเอ่อไปอยู่ที่ ท, ที่หมู่บ้านชนบทตามเดิมนี้พอครั้งที่สองเอกก็อยู่มีท้องอีกก็คิดถึงจะไปคลอดอีก ไปในระหว่างทางก็คลอดอีกเขาเรียกว่าคนพี่ก็เลยชื่อว่ามหาบรรทกคนน้องก็ชื่อว่าจุลบรรทกนี่พออยู่ก็มาเลี้ยงดูลูกเนี่ยจนเจริญเติบโตเป็นเป็นเด็กๆนะรุ่นรุ่นหน่อยเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเวลาไปไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยนะคนโน้นก็มีปู่มีย่ามีตามียายมีพี่มีญาติมีลุงมีป้ามีน้ามีอาเป็นต้นเอ๊ะแล้วเราทำไมมีแต่พ่อกับแม่ แม่เราไม่มีลงป้า น, นะ อ, าอะไรเลยหรือเราไม่มีปู่ย่าตายายอะไรเลยหรือก็เลยกลับมาถามแม่แม่ก็บายเบียงวันสองวันเข้านี่เด็กมันก็ฉลาดไปดื่มนมก็แล้วก็กัดเลยจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกหัวนมขาดแน่ก็เลยยอมบอกว่าเออเจ้าเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีอยู่ที่เมืองนู้นเมืองราชาคชิงกันนะแต่แล้ ว, แ ล, วแล้วทําไมไม่ไปอ่ะในที่สุดลูกก็รบเร้าจาักกลับไปเห็นตาเห็นยายบ้าง เสร็จแล้วก็ลูกของเศรษฐีก็เลยมาปรึกษากับสามีที่เป็นทาสเนี่ยนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยเด็กๆมันรบกวนฉันเหลือเกินเนี่ยมันอยากจะเห็นปู่ตากระยายนห้ยเราไปไม่ได้ไปหัวขาดแน่งานนี่สมัยก่อนเนี่ยใครถ้าลักษณะว่าพาลูกสาวเจ้านายหนีเนี่ยโทษสถานเดียวตายเนยนะทหารชีวิตเพราะระบบทาสโบราณเนี่ยกฎหมายเขาค่อนข้างรงุนแ ร, รงมากเพื่อที่จะข่มทาสได้สังทาสได้เน่ ก็เลยคิดกันไปคิดกันมาเอางี้ก็แล้วกันเราไปใกล้ๆเมืองแล้วก็ให้คนเนี่ยไปกระซิบที่ไปบอกท่านเศรษฐีว่าลูกเนี่ยกลับมาแล้วท่านเศรษฐีจะว่ายัางไงนี้ท่านพ อ, อพ่อแม่ลูกสองอ่ะนะพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนก็ไปไปแอบไปพักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ให้คนคนหนึ่งไปบอกเศรษฐีบอกว่าตอนนี้ลูกสาวท่านกลับมามีลูกมาแล้วสองคน เศรษฐีก็บอกโอ้เราไม่อาจจะเห็นหน้าลูกคนนี้ได้มันทําเราเจ็บปวดแล้วเกินหนางั น, นสังสารวัตรอันนู่นนานผ่านมามันก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ อ, กอย่างนี้แหละฉันทําใจไม่ได้หรอกที่จะไปเห็นหน้าลูกเอาเงิเอาเงินไปให้มันพันหนึ่งแล้วมันไปเลยสองคนอ่ะไปไหนก็ได้ช่างมันแล้วเอาหลานสองคนมาจะเลี้ยงให้นี่ก็เอาหลานมาเลี้ยงให้อะ น, นะมาเลี้ยงหลานทีนี้ไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เอาไปไหนก็เอาเอาหลานไปด้วย พ อ, อหลานไปด้วยเขาก็ถามนิ่มลูกใครนิ่มลูกใครแหมมันเจ็บใจทุกครั้งที่จะตอบนะมันตอบยากเหมือนกันไนอะ้ลูกของลูกสาวที่หนีตามทาตุหมมันตอบได้ยังไงนะเครียดมาตลอดเลยในที่สุด ก็เศรษฐีนี่เขาไปฟังธรรมจากสำนักอนะนะพุทธเจ้าพอไปฟังธรรมก็หลานนี่มีอัธยาศัยมาบันทกเมียัธยาศัยบอกคุณตาครับผมขอบวชโอ้ยหลานอะไรหลานบวชนะมันวิเศษที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครจะเยี่ยมกับหลานบวชหลานบวชคนเดียวมันเยี่ยมก่าคนทั้งโลกบวชอยู่มั้งบวชเถอหลานแต่ว่าไม่ขี้เกียจตอบคำถามคนเต็มทีแล้วว่ามั้นก็เลยให้บวชพอบวชไปก็บรรลุเป็นพระอรหันตเชี่ยวชาญในทางอรูปสมาบัติอนนะเป็นแค่ที่ว่า ผู้น้องเนี่ยเอตทักทะทางรูปสมาบัติผู้พี่เนี่ยสัญญาวิวัตตะสมาบัติก็คืออารูปสมมาบัตินั่นเองอ น, นะพอเจริญอารูปสมมาบัติก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอก็เสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะบรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่มีความสุขมากคิดถึงน้องชายเออน้องชายเราน่าจะมีอุปนิสัยชวนบวช ด, ดีกว่าก็เลยไปหาคุตาตาเนี่ยให้ละไอ้น้องคนเล็กเนี่ยบวชเถอะเออหลานเอาไปเลยบวชได้เลยก็อนุญาตให้บวชเร็วอีกเหมือนกันนะ แทบไม่ต้องขอก็อยากให้บวชอยู่แล้วล่ะเพราะงั้นเสร็จ แ, แล้วพอบวชเข้ามาพอบวชเข้ามาพับแค่นั้นแหละลืมเลยกรรมเก่าให้ผลทันทีเลยกลายเป็นคนที่ความจำเสื่อมทันทีเลยนะจำอะไรก็ไม่ได้พรานพี่ชายก็ให้บวชพอให้บวชเสร็จก็ให้สอนคาถาคาถาสองบรรทัดนี่ให้ท่องมาสี่เดือนไม่จำพอไม่จำเนี่ยพี่ชายก็เลยเออเธอนี่ไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยหรอกศึกไปเถอะ เธอไม่เจริญงอกงามในศาสนาของพระพุทธเจ้าหรอกขนาดสองบรรทัดเธอยังจําไม่ได้ก็ไล่ศึกเลยน้องชายก็อ้อยอิงอ้อยอิงพี่ชายคงไม่เอาจริงเรามากก็เลยอ้ออีงอ้อเอีงนี่วันหนึ่งหมอชีวกนี่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านพอนิมนต์ไปฉันที่บ้านเนี่ยนะพระจุลอพี่ชายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รับกิจนิมนต์พอดีนะพระมหาบรรทกกเป็นเจ้าหน้าที่รับกิจนิมนต์ก็เลยบอกว่า รับให้หมดเวรพระพิสุงโง่รูปเดียวไม่รับเพราะถือว่าไล่ศึกไปแล้วในสายตาของท่านถือว่าเป็นพระศึกไปแล้วว่าไม่มีความเจริญงอกเงยในาศาสนาท่านก็เสียอกเสียใจคืนนั้นร้องไห้ทั้งคืนพรุ่งนี้ต้องศึกอย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยพี่ชายเขาปฏิวัติถึงขนาดว่าไม่รับกิจ น, นิมนต์เผื่อแล้วอ่ะเอ๊ะทำไงดี พ้องให้เสียใจออสึกก็ได้เดี๋ยวกลับไปอยู่กับคุณตาทำบุญให้ทานก็นแล้วกันเสียใจมากชาวนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรวจ ด, ดูสัตว์ทั้งหลายด้วยพุทธจักสุเนี่ยนะเจริญกรุณาสมาบัติญาณในสัตว์ประสว์ทั้งหลายเสร็จแล้วพรงค์ก็พิจารณาสัตว์ด้วยอาศยานุสยะญาณกับอินดิยปโปรปรบัญติญาณเสร็จก็เล็งพระจุลบรรทกเข้ามาสู่ข่ายพยานเห็นรู้เหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่พระจุลบรรทกรจะเดินเนี่ยพงษ์ก็เสด็จไปที่เดินจงกรมอยู่แถวแถวซุ้มประตูรอละ จรบันทกนี่ก็ร้รองให้พอจะสว่างมาจะร้องให้กลับบ้านไปหาตาไปศึกที่โน่นคือไอการศึกเนี่ยนะการศึกเป็นพระจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นมีพิธีกรรมอะไรมากมายแบบแบบในสมัยใหม่นะสมัยใหม่เขา ก, ก็กลัวพระมันจะเลินเล่ศศึกเสียหายมากมายเขาก็เลยปแบบ้องกันให้มันทำเรื่องให้มันยากเขาไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วการศึกไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยบอกศึกกับใครก็ได้ทั้งนั้น อ่ะ น, นะไม่ผิดทวิตเออแล้วก็เป็นการศึกจริงๆด้วยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ว่าสมัยใหม่เขาก็ทําให้มันรัดกุมหน่อยนะนี่ก็เลยคิดว่าจะกลับไปศึกที่บ้านนะพระพุทธเจ้าก็ไปเดินจงกรมรอเพราะวะ่าพระองก็เรียกพระจุลมันถกมาบอกว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปศึกพี่ชายไล่ให้ไปศึกพระเจ้าข้าเอาเธอบวชในศาสนาใครล่ะบวชในศาสนาพี่ชายหรือว่าศาสนาของเราบอกของพระองค์เออเราไม่ได้ไล่ไปศึกพองกรลูกหัวรูปอะไรให้อะไร ก็มีความสุขมากก็ดีใจพระพุทธเจ้าสวงขานอนุเคราะห์เนี่ยนะไม่ให้ศึกแล้วก็ดีใจยิ้มพระองค์ก็เลยบอกเอาบรโทกนี่เอาผ้านี่ไปเธอไปขยี้ผ้านะเอาได้ผ้ามาเป็นผ้าใสผ้าขาวสะอาดมากเลยแล้วก็ขยี้ละโชหะรนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนทุลีก็ขยี้ไปนะนั่งขยี้ผ้านั่งเขย็เขยิมผ้าไปเรื่อยๆนะที่จริงเนี่ยพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าอดีตเนี่ยพระจุลบรรทกเคยเป็นพระราชา สเสด็จบนคอช้างเนี่ยนะพระที่นั่งไปเที่ยวไปไประชมเมืองประพาสรอบเมืองรอบอะไรเนี่ยแขกเขาก็นิยมทําแบบนั้นนะขี่ช้างชมเมืองอะนะขี่ช้างรอบเมืองเพื่ออะไรนะโชว์แสนยานุภาพโชว์อะไรนะความงดงามมันนะความงดงามเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของพระราชาให้ชาวบ้านได้รู้จักได้เห็นนี้วันหนึ่งเนี่ยกำลังที่ทรงช้างพระที่นั่งเนี่ยมันร้อนอะนะเหงื่อก็ท่วมก็เลยเอาผ้าเนี่ยผ้าเช็ด ถ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็มาเช็ดหน้าผากักพอเช็ดปั๊บ ก, ก็มาดูโอ้โหมันปฏิกูลขนาดนี้เลยเหรอก่อนหน้านี้ผ้าที่เราล้วงออกมาก็เป็นผ้าสะอาดแต่พอมาเช็ดแค่นี้มันกลายเป็นผ้าเปือ้อนอ่าสังเวกคำว่าถูกท่านแรงมากนะน อั น, นิีจะสัญญาก็ปรากฏขึ้นผ้านี้ไม่ได้เป็นของปฏิกูลมาแต่เดิมมากระมากระทบกับกลายนี้กลายก็กลายเป็นของปฏิกูลเหลือเกินเนี่ยนะก็เข็นถึงพิจารณาธรรมะไปเรื่อยๆเพราะอาดีตท่านก็มีอุปนิสัยอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะท่านสั่งสมบา ร, รมีสั่งสมบุญมาแสนกลับปั้นั้นไอาการที่เช็ดหน้าผากท่านก็สลดสังเวชได้พงก็รู้ว่าอุปนิสัยตัวนั้นน่ยจะ ก, กระตุ้นให้พระจุลบรรทกบรรลุได้ พระองค์ก็เลยให้นั่งขยี้ผ้าพอขยี้ผ้าเนี่ยขยี้ปับผ้ามันก็เริ่มเก่าเก่าเก่าแล้วก็เปื้อนท่านก็คิดได้ว่าโอ้ผ้าเนี่ยก่อนที่เราจะขยี้เป็นผ้างามสะอาดมากยิ่งขยี้ไปยิ่งเปื้อนยิ่งเศร้าหมองก็เลยคิดว่าเออผ้าเนี่ยมาก ร, กระทบกับกายนี้กลายเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเพราะเปื้อนด้วยละอองทุลีเป็นต้นพระองค์ก็ปรากฏเหมือนกับอยู่ต่อหน้าบอกว่าฝุ่นละอองไม่ชื่อว่าทุลี ราคะโทสะโมหะนี่แหละชื่อว่าทุลีถ้าเธอกําจัดทุลีได้ก็อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเนี่ยนะพระจุลบรรธกก็พิจารณาอริยศาสตร์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นต้นก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ก่อนที่จะพระจุลบรรธกมานั่งขยำผ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุห้0รอรูปก็ไปไปนั่งที่บ้านหมอชีวกและไปนั่งรอที่บ้านหมอชีวก เสร็จแล้วหมอชีวกเอาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉันไม่รับ嘛นะบอกว่ายังมีพระพิสูจน์รูปหนึ่งที่วัดหมอชีวกก็ส่งให้คนเนี่ยไปดูคนนี้พอไปเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกจะแสดงให้คนรู้ว่าเราที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็เนรมิตพระขึ้นมาหนึ่งพันรูปเหมือนท่านทุกอย่างหมดเลยพอไปถึงบอกนายคนเนี่ยคนใช้ก็ไปเห็นเอานี่มีพระเหลือตั้งพันรูปก็เลยกลับไปวัดใหม่เกลับไปที่บ้านหมอชีวกบอกเจ้านายมีตั้งพันหนึ่ง เล่าให้ผู้เจ้าเจ้าฟังบอกจริงอ่ะบอกว่าไปนิมนต์พระจุลบรรทกรกแล้วกันนิมนต์พระจุลบรรทกมารูปเดียวอ่าก็ไปไปถึงก็บอกว่านิมนต์พระจุลบรรทกทุกองค์บอกหมดเลยครับอาตมาชื่อจุลบัรทกหมดก็เลยกลับไปใหม่อีกทีหนึ่งทําไงดีพระองค์ก็บอกว่าเอานี้การคนไหนพูดคําว่าจุลบรรทกคนแรกไปจับมือองค์นั้นและนิมนต์มาก็เลยท่านมามาเสร็จก็มีการถวายอาหารฉันหมอชีวกบอกว่าขอองค์เนี่ยเทศ องอื่นไม่ฟังจะขอฟังอง์นี้เทศองค์นี้ก็เทศเยอะเหมือนกันก็คือว่าทรงพระไตรปิฎกนะอดีตชาติก็เคยทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วทีนี้ถามว่าความโง่เขลาเบาบัญญามันเกิดจากอะไรทําไมจึงพอบวชเข้ามาโง่ทันทีเลยก็อดีตชาติเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดมากเก่งสอนพระไตรปิฎกสอนธรรมะได้อะไรได้เนี่ยทีนี้ก็มีเพื่อนนักเรียนธรรมะด้วยกันอยู่คนหนึ่ ง, งโง่มาก คนนี้มันปัญญาทุบกว่าเพื่อนอะนะก็ไปล้อเรียนว่าโอยโง่อย่างงี้จะเรียนธรรมะได้ยังไงก็ถากทางเข้าไปเรื่อยจนคนนี้เลิกเรียนธรรมะกรรมอนนั้นเนี่ยทาให้โง่มาหลายชาติแล้วเคยโง่มาหลายชาติแม้กระทั่งชาติชาติสุดท้ายก็จริงๆอ่ะก็เป็นเด็กฉลาดนะพอเข้ามาบวชปั๊บกลายเป็นเด็กปัญญาทุบไปเลย ก, ก็ก็เคยเห็นนะเขามาเคยเห็นเด็กคนหนึ่งที่บวชเข้ามาอสอนสอนสารณคมนี่แหละโอ้ยว่าไปว่ามาบวชมาเป็นทรรษาแล้ว แล้วก็ว่าอย่างเงี้ยบ่อยๆด้วยซ้ําไปบอกว่าเน้นเอาสารณาคมเขาบอกพุทธังสารานังขะฉามิสังคังสารานังขะฉามิตติยัมปิพุทธังไปเลยอย่างเงี้ยนะก็คือว่าไปว่ามาตลกว่าไม่จบอย่างเง้นแต่สารณาคมเนี่ยว่าไม่จบบางคนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจริงๆนะมันแค่ว่าปัญญาอ่อนขึ้นมาเลยทันทีนะด้วยเศษกรรมบางอย่างชอบล้อเลียนชอบถากถางคนอื่นเพราะฉะนั้นอาการให้กําลังใจเนี่ยดีแต่ถ้าไปคอยล้อเลียนโอ้โง่อย่างเงี้เรียนได้หรืออะไรหรือ ก็มีคนกขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้นะฉลาดอย่างนี้ต้องเรียนธรรมะได้แน่นอนอ่ะนะแต่ก็เป็นการให้กําลังใจเอาเถออีกหน่อยนะเดี๋ยวก็รู้แล้วให้แต่ว่าให้เอาแต่ไปบอกยากยากคนนี้ก็ยาก้คนนั้นก็ยากไม่รู้ว่ามันยากเกิงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนหนึ่งก็ว่ายากสองคนก็ว่ายากก็เลยเลิกเรียนกำหนดไปเลยก็มีนั้นก็การที่ไปพูดให้คนอื่นหมดกําลังใจเนี่ยนะให้คนอื่นเสียกําลังใจเลิกศึกษาพระธรรมนี่ก็มีส่วนแห่งความโง่เขลาเหมือนกัน ถ้าพระพุทธเจ้าก็รู้วิธีการว่าเออเนี่ยคนที่กรรมมาบังอย่างนี้จะสงเคราะห์เขาได้จากตรงไหนนะก็ให้ไปเจริญเนี่ยขยะขยำผ้าในที่สุดก็ช่วยฝึกให้ตรัสรู้ได้เพราะพระ อ, องค์ฉลาดในเทศนาฉลาดในวิธีการที่จะช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์เนี่ยบรรลุมรรคผลได้นี่นะคิดว่ามองเห็นความดีของสัตว์ได้อย่างบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยรู้เลยว่าเอ่อเขานี่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพผานเหมือนกับ เหมือนกับเพชรที่อยู่ในตุ่มที่ว่าฝาตุ่มเนี่ยปิดเอาไว้ในนั้นมีเพชรอยู่นะฉันใดพระองค์นี่ย่างเห็นเลยนะว่าคนนี้มีอุปนิสัยพอที่จะบรรโลมักผลได้แล้วจะไปสงเคราะห์เขาโดยวิธีใดๆเนี่ยนะถ้าจะต้องแสดงฤทธ์ก็ต้องแสดงกันละอย่างเช่นแสดงโปรดชดินสามพี่น้องอรุเวลกัสปะนาทีกัสปะพระองค์ไม่ใช่ไปถึงก็สอนเลยนะจกักขูเป็นของร้อนไม่ได้ไปถึงไปเทศเลยใช้เวลาเป็นเดือนอยู่ตรงนั้นอนะ แสดงปาฏิหาริย์ให้เขาดูทุกวันเลยนะแสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆให้เขาดูทุกวันแล้วเขาก็บอกว่าเออฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่เป็นอารหันเหมือนเราเนี่ยนะจนนานมากเลยพระองค์ก็บอกว่าท่านไม่ได้มีอะไรหรอกอนะตอนหลังก็สังเวชใจก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้บวชเป็นเอหีพิขุแล้วก็พาไม่ให้สอนตรงนั้นเลยนะพาไปอีกที่หนึ่งพาไปจนถึงที่ขยาศีสระแล้วพระองค์จึงสอนทำ เราต้องดูสถานที่ดูองค์ประกอบดูหลายๆอย่างทำมเทศนาที่เหมาะกับอัธยาศัยแล้วพระองค์จึงแสดงธรรมนะเขาก็เลยบรรลุอย่างมีภิกษุบางรูปเนี่ยนะบางกลุ่มเนี่ยจะต้องพาไปดูกองไฟใหญ่แล้วค่อยแสดงธรรมเขาจึงจะได้บรรลุบางทีเนี่ยจะต้องพาไปดูเหวก่อนนะพาไปดูเหวเหวมันลึกมากบอกโอ๊ยเหวลึกมากน่ากลัวพระเจ้าข้าบอกมีเหวอะไรที่มันลึกกว่านี้อีกไหมบอกมี อะไรอ่ะก็บอกการไม่รู้อริยาศาสตร์มันน่ากลัวกว่านี้เยอะแล้วกันแล้วพระพิสุก็เลยทําให้พระพิสุเหล่านั้นภาคเพียรเรียนรู้ในการเห็นอริยาาสัจจนได้พระองค์ฉลาดวิธีในการแนะนําในการสอนพระองค์จึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวยกย่องว่าพระองค์เป็นผู้รู้จักวิธีการฉลาดในพระเทศนาว่าขอถวายพระพรยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อพระองค์เนี่ยถูกโมกข ร, ราชพราหมณ์ถามปัญหาครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่หนึ่งไม่ตอบคือคือไม่เปิดโอกาสครั้งที่สองก็ไม่เปิดโอกาสครั้งที่สามแล้วจึงเปิดโอกาสด้วยคิดว่าที่พระองค์ยังไม่เปิดโอกาสให้ถึงสองครั้งแรกเลยเนี่ก็เพราะมานะของคุรบทผู้นี้จัดสงบด้วยวิธีนี้นรู้เลยว่าตอนนี้เขาเขามานะมากเขาถือว่าเขาฉลาดมาก พันธุ์เขาก็จะรีดถามปัญหาธรรมะเลยไอส้สายที่เขามีความลำพองในใจพร อ, องรู้ว่าถ้าถึงต่อไปก็ไม่ได้บรรลุแต่ถ้าเขาฟังอดใจรอสักระยะหนึ่งฟังเรื่องราวของคนอื่นให้เข้าใจแล้วค่อยถามปัญหาธรรมะเขาจะบรรลุพระนั้นพระ อ, องค์ก็ยังไม่เฉลยทันทีเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็บอกว่ารอให้มานะเขาสงบก่อนซึ่งมานะของกุลบตรนี้จะสงบได้ด้วยวิธีนี้จริงพระ อ, องค์ก็ทําให้มานะเขาสงบลงคือรอเวลาอีกหน่อยหนึ่งก่อนที่จะ แสดงธรรมเนี่ยนะเพราว่ามานพผ่านไปหลายคนโมกข ร, ราชมานพจึงได้ถามปัญหาและปัญหาที่เขาถามเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งจริงๆอ่ะนะบุคคลมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราช จ, จึงจะมองไม่เห็นเขาบอกว่าพิจารณาโลกเนี่ยพิจารณาอย่างไงความตายจึงจะมองไม่เห็นเนี่ยคำถามเขาไม่ใช่คาถามธรรมดา แต่เพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องรออินทรีย์ให้มันแก่กล้าไปก่อนมาณนะมันลดลดลดลดไปก่อนอินทรีย์คือปัญญาเจริญเติบโตเท่าใดแล้วค่อยสอนมางั้นในที่สุดเนี่ยนะเ ข, เ, ขเขาก็ถามปัญหาว่ามัจจุราชมองไม่เห็นบุคคลผู้มองเห็นโลกอย่างไรหรือว่าเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นโปรงก็แสดงว่าสุญโตโลกังอเวคัสโมฆราชาสตาสโตอัตานุทิถิอุ อุหัต จ, จะเอวังมัจจุตโรสยาเอวังโลกังอเวขันตังมัจจุราชานปัสติแปลว่าดูก่อนโมกขราชเธอจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ว่างเปล่านะสุญโตก็คือโดยความเป็นของศูนย์หรือของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาตลอดกาลทุกเมื่อเถิด จะพูดแบบภาษาเราคุ้นเคยกันก็คือว่าเธอจงมีสติเจริญอนัตตานุปัสสนในขันทั้งพงอันนั้นก็คือสุญญโตก็คือความว่างว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอันนี้ก็หมายถึงว่าอนัตตานั่นเองเพราะในจุลนิเทศจุลนิเทศโมคราชมานวกะปัญหานิเทศภาษาเรีุตรจึงขยายว่า ขยายโดยอนัตตลักษณะสูตรมาแล้วก็แสดงอนัตตาโดยวิธีสองอนัตตาโดยวิธีสองอนัตตาโดยอาการสี่อนัตตาโดยอาการหอนัตตาโดยอาการ8ปดอนัตตาโดยอาการส0บอนัตตาโดยอาการ12บแสดงอนัตตาโดยเง่มมุมต่างๆซึ่งหลายท่านก็คงเคยฟังเรื่องอรสุดสุญญตาเนี่ยนะในเรื่องสุญญาก็เคยกล่าวมันให้มีสติเนี่ยนะมีสติเจริญ พิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็คือให้มีสติเจริญอนัตตานุปัสสนานั่นเองก็คือผู้ที่เจริญอนัตตานุปัสสนาก็คือเจริญอะไรนะอนัตตานุปัสสนาก็พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะโดยอนัตตานุปัสสนานี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาคนที่จะเข้าใจอนัตตาต้องเข้าใจอนิจจาลักษณะเป็นอย่างดีเข้าใจ ทุกขลักษณะเป็นอย่างดีซึ่งไม่มีใครเนี่ยนะไปจัดแจงว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงจงเที่ยงไม่มีใครมีอำนาจจัดแจงได้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีใครจัดแจงให้เป็นสุขได้ น, นะเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีใครอยู่ในนั้นไหมและเป็นตนใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วเป็นของตนใช่ไหมจึงไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนจึงไม่ใช่อัตตกะกับอั ต, ตานยะจึงไม่ใช่อัตตาและบริขารของอัตตา แล้วก็ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนความงามและอัตตาเนี่ยนะ ก, ก็ดูในโมกขราชะมานะวากับปัญหานิเทศจะขยายละเอียดอันนั้นการพิจารณาดังกล่าวไปนี่แหละเรียกว่ามีสติเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์และเจริญอย่างนี้ในการทุกเมื่อเรียกว่าตลอดอตลอดช่วงเช้าช่วงสายช่วงค่ำ อั น, นช่วงปฐมายามมัชชิมายามปชิมมยามพิจารณาตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนี่ยถ้าเจริญอย่างนี้ได้แล้วก็ถอนอัตตานุทิฏฐิความสําคัญว่าเป็นอัตตาในอุปาทานขันห้าเธอก็จะพ้นจากความตายโดยวิธีการเหล่านี้หมายความว่าเจริญอนัตตานุปัสสนาพิจารณาเห็นโลกตามเป็นจริงน่ยน ะ, อะถอนความสําคัญว่าเป็นอัตตาเป็นต้นได้ ถอนอัตตานุทิฏฐิจากขันห้าทั้งหลายได้ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้มัจจุราชก็มองไม่เห็นผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จึงก็ยกย่องอะไรนะสัมมาทิฏฐิยกย่องสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิโดยอานตานุปัสนาสัมมาทิฏฐินั่นนะอันถ้ายกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกมีสติตในการทุกเมื่อก็ยกสัมมาทิฏฐิกับสัมมา สติขึ้นมาองค์มรคที่เหลือเท่ากับเจริญและเท่ากับแสดงแล้วอันท่าเจริญองค์มรคเหล่านั้นจนครบท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็รู้แจ้งแทงตลอดอรยิยสัจซึ่งจากคําตอบที่พระองค์ตอบพระโมคคราชก็บรรลุกเป็นพผ้าหันขณะที่ที่นั่งนั่งฟังคําถามเหล่านั่นนงฟังคําตอบเหล่านั้นอันนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อย่างรู้อินทรีย์ของโมคคราชมานพเนี่ยนะว่าพอ รอให้เขาฟังคำสอนฟังไปสักระยะหนึ่งก่อนมานะเขาจะสงบเมื่อมานะเขาสงบแล้วเขาถามปัญหาธรรมะฟังคำตอบก็จะบรรลุวสีภาวะในอภิน ญ, ญาหกเพราะฉะนั้นตถาคตเป็นผู้รู้จักวิธีการฉลาดในพระธรรมเทศนาโอ้ยอธิบายยกตัวอย่างมาตั้งใครบ้างหนึ่งนะยกตัวอย่างคนผีสิงยกตัวอย่างถึงการอะไรนะยกตัวอย่างสัรยะเพศ หมอผาตัดยกตัวอย่างพานันทะจูลบันทกโมโคขราชเป็นต้นเนี่ยการยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าการที่พระองค์เปิดกลับมาหาเรื่องเก่าประเด็นว่าที่พระองค์แสดงอวัยวะเพศให้เขาผู้ผู้ผู้มาถามปัญหาธรรมะดูเนี่ยแต่ว่าแสดงโดยเงาอะนะก็เพื่อเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมประกาศถึงว่าพระองค์รู้วิธีฉลาดวิธี ชอบว่าเพราะการุณาของพระองค์ที่จะช่วยให้เขาบรรลุมรรคผลแม้แต่จะเผา อ, อกให้ดูถ้าเขาจะบรรลุก็ต้องยอมเหมือนกันอันนั้นก็เป็นคําตอบที่พระเจ้าพระนาคเษดตอบพระเจ้ามิลินไปพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าสาธุดีจริงพระคุณเจ้านาคเษดท่านได้คลี่คลายปัญหาด้วยเหตุด้วยผลหลายอย่างเป็นอย่างดีทางรกชัดได้แล้วอะไรที่มันสงสัยนะ่ะมันยิ่งกว่ารกชัดอีกเหมือนกัน คือมันไปยากลุยไปยากเหมือนกันทำที่มืดให้เป็นที่สว่างได้แล้วทำลายเงื่อนปมได้แล้วหักล้างพระวาทะได้แล้วได้มอบดวงตาให้แก่พระชินบททั้งหลายแล้วท่านทำพวกเดรทีทั้งหลายให้สิ้นปฏิพานแล้วท่านเป็นผู้องอาจยิ่งใหญ่ในหมู่คณะผู้ประเสริฐ คือตอนที่ตั้งคำถามในการถามของพระเจ้ามิลินเนี่ยถามเหมือนกับท่านอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง น, นนะกเรียกว่าทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เมื่อตอบโดยสมเหตุสมผลก็ยอมรับและอนุโมทนาเนี่ยนะว่าสมเหตุสมผลอย่างนั้นแ